ท่านบวชนานหลายสําหรับ 27 กุมภาพันธ์ 1253 วันนั้นจุไลได้ เสียดหน้าอกแล้วก็ปฏิสะก็แถนเท้าเค้าเรียกว่าเป็น <c oughs> แล้วการมานี้ทุกคนก็ต้องจ่ายทรัพย์สินอย่างน้อย ถ้าเขาไม่ทํางานไม่สร้างประโยชน์ก็จะมี <c oughs> หลวงปู่ท่านก็ตอบว่า แล้วหลวงพ่อถามนึกว่าว่าหลวงปู่เวลาทักแขกขึ้น ik ก็ทักยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนหน้า ตบว่าวันนั้นคุณป้าเชลคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเค้าถามน้องปู่ว่าที่บ้านเพื่อนเค้าเค้าบอกว่าเค้าอยู่กรุงเทพฯน้อง คนปู่ต้น ไม้ตรงด้านทรงของเขามีน้ํามันเยิ้มเนี่ยก็ หนู in in ข่าวเขาเล่าลือกันหนูเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจนักเขาบอก de เสาตกน้ํามันนี่บ้านไหนมีเสาตกน้ํามันบ้านนั้นผีดุ een ก็ผีเสาตกน้ํามันนี่หมอก็ปราบ een ครูเพิ่นน้อยก็ โดยอะไรก็ว่ากว่าขณะที่หนูฟังไปเมื่อหลวงปู่ท่านมีความเข้าใจทีแรกท่าน <c oughs> แต่คงไม่เสมอแต่บางโอกาสเค้าบอกว่ามี <c oughs> แต่เมื่อหลวงปู่ท่านซาท่านกับภควาเรื่องสาวโตกตะมันนี่ฉันพบมาหลายแห่งฉันเองจึงก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนกัน หลังจากรักษาอยู่ปีเสร็จอาการดีขึ้นแล้ว <c oughs> วันนั้นท่านบอกว่าท่านกําลังเตรียมตัวถ้าพูดหัวข้อเดียวยังไม่ ก็มีเสร็จเศษรูปร่างหน้าตาสดสง <c oughs> มีคนนึงก็บอกว่าที่บ้านฉันมี กบบอก <c oughs> โนเขียนมาสัก 3 ข้อที่มีข้อคล้องใจแล้วก็ใส่ไว้ในพานดอกไม้ทุกถิ่นวางไว้ตรงนี้แหละพรุ่งนี้ฉันจะเขียนให้ถ้ามีเรื่องอะไรพอจะ หญิงเมื่อเขียนแล้วเธอก็ลากลับไปนั้นเธอก็เขียนให้เมื่อเขียนแล้วเธอก็ลากลับไปตํารวจบอกว่าจบเวลายังไม่หมดหัวข้อที่ 2 เราจะใช้อะไรแต่พอคิด เมื่อยก็ของหนักหล่นลงมามันเป็น เธอทำไมจริงก็ต้องมาไล่ฉันสวนออกมาว่าฉันทําผิดคิดร้าย แต่กระสมจะดาถ้าจะเป็นถ้าเวลามาจริงๆก็ต้องขึ้นทางบันไดต้องเห็นนี่คือมันนั่งบนโต๊ะหลวงปู่ท่านนั่งที่เก้าอี้มัน <c oughs> เวลานี้ถึงกําลังจะเขียนหัว watering and watering are good, also watering and watering Every school they read for 15 hours to keep going and with the shelter. STUDENTS SHARM THEY PERMIT They are selves on earth for 3 wonderful。Now the rest of the period, should be prompted by Kapuhrit. A team has to嘗 targets about kings and the Free Taste does not have a challenge for kings. They won't hit แล้วก็จะไม่ ตรงความว่าการที่ฉันช่วยมันก็กลายเป็นการปิดทองหลังพระในคน 300 คนมาไกลมาจากกรุงเทพฯบ้างมา ส่วนใหญ่ก็เป็นกรุงเทพฯและชานนครสวรรค์บ้างได้เมื่อ <c oughs> เธอไม่ตอบเป็นอย่างอื่นแม้เมื่อเธอพูดอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ไม่สักจึงได้ถามว่าแล้วเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเสาต้นนี้ทําไมเสาต้นนี้จึงตก ฉันเป็นรุกขเทวดามีวิมานแปะยอดไม้อาศัยยอดไม้เป็นที่อาศัยไปแปะไปตั้งวิมานรุกขเทวดาถ้าต้นไม้ต้นนั้นล้มวิมานก็สลายแล้วจะไปอาศัย ในเมื่อไม้ต้นนั้นล้มมาฉันก็ <c oughs> Mooi, dan kan ik het ook weer. Maar als ik het niet ik het niet. ik het niet. Als ik het kan, niet. Als ik niet ik niet. ik het dan ik het niet. ik het ik เพราะฉะนั้นว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีองค์ไหนถ้ามี <c oughs> คุณปู่ก็ตอบคนนั้นบอกว่าไอ้ ให้เจ้าของบ้านกับฉันว่าถ้าว่าขออย่างของบ้านเค้ายอมรับเอาอย่างนี้นะถ้าต้องการเป็น ราชทองคําดกเปลวปิดที่เค้าทําฝาทําเพลิงต้องตีกับเสาตีตะปูนั่นเป็นเรื่องหนึ่งต่าง หลวงปู่ท่านก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้า 3 สีก็ดีทองคําเปลว 1 แผ่นก็ดีน้ําหอมหน่อยนึงก็ดีเป็นของไม่แพง <c oughs> Dat is wat Dat is Dat Dat is Dat is Dat is Dat wat Dat is Dat is Dat is is เขาทำงานโรงงานยาสบใช้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็เวลาที่นิมนต์พระไปฉันที่ต้องไปฉัน <c oughs> น้ำปู่ก็ถามว่าเธอจะให้ลาภมากหรือลาภน้อยเธอก็บอกได้แต่ว่าให้บ่อยๆได้น้ำปู่ท่านก็ต่อรองว่าถ้าอย่างนั้นให้ <c oughs> แต่ว่าต้องเป็นรางวัลไปๆๆหลังข้างต้นทางข้างล่างนะหรือว่าเลข <c oughs> เมื่อกลับมาแล้วท่านก็เขียนถ้อยคําตามที่พูดกับนางฟ้าคนนั้นไว้พอรุ่งขึ้นมาวัน เธอก็บอกว่าเขาก็คุ้มครองสามีของเธอตัวเธอเองเขาก็ช่วยสงเคราะห์ทุกอย่างให้มีความสุขแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่เคยแสดงอะไรให้ปรากฏใช่ไหมเธอก็ตอบ น้ำหอมเธอจะใช้น้ำมันจันทร์ แต่ว่าเกินห้าองค์คงไม่เป็นไรว่าเกิน 5 องค์คงไม่เป็นไรเพราะการ <c oughs> เธอถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 9 ใบทรง 2 ตัว 5 <c oughs> ใบเธอก็อง 9 องค์เอ้ย 9 องค์หลวง พอรับเงินเดือนแล้วออกมาจากที่ทํางานก็อย่าเห็นเลขนี้เข้าก็อยากจะซื้อเลยซื้อเหมือน ปิดทองมากแพ่งขึ้นมีผ้าสีแล้วก็ โคนบ้านนั้นถูกหวยทุกงวดแต่ว่าไปบันเป็นรางวัลเลข ถ้าอย่างนั้นจะให้หนูๆที่จะบอกมานี้ทั้งหมดมันไม่ <c oughs> เพราะการมีเทวดาและมี ชั้นแรกที่ต่ำที่สุดเราเรียกกันว่าพรหมเทวดาพรหมเทวดานี่มีวิมานอยู่ภาคพื้นดินเป็นเทวดาที่เป็นเทวดาชั้นต่ำที่สุดที่ชาวบ้านต่างๆนิยมตั้งศาลพระภูมิกันคราวนี้เรื่องตามที่หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านสัมผัสมา ปรากฏว่าซึ่งสารภพภูมิเนี่ยเป็นเป็นแค่การแสดงการยอม คัมภรุกขะลุมโภท่านแปลว่าต้นไม้เป็นนั้นว่าเทวเป็นเทวดาประเภทที่อยู่ตามต้นไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่าห้อยหนโยนตัวอยู่บน ต้นๆมีสาขาๆมีพุ่มใหญ่ๆอาจจะ ชั้นที่ 5 ชั้นนิมาลีชั้นที่ 6 ชั้นปรนิมมิตวสวดีแล้วสูง ว่าความจริงต้นๆต้นๆต้น ขอความสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่สวัสดี